หลวงปู่เห็นสถานที่แห่งหนึ่งคะนิงพบนาง ซะน้ํานั้นลุก หญิงสาวเหล่านั้นแต่งกายด้วย นางงามนางแบบเสื้อ จากนั้นก็มีนกอินทรีตัวใหญ่ หญิงสาวนางนั้นส่งเสียงหวีดร้อง เผยให้เห็นถึงอวัยวะภายในคือตับๆ พากันกระโดดหนีลงไปในสารๆ ก็พลันกลายเป็นแล้วจิกหนังลอกออกทั้งแผ่นหญิงสาว มีความหวาดครัวทรงเสียงกลัวทรัวส่งเสียงหวีดร้อง ถึงต้องมาถูกกระทําลงโทษอย่าง สามารถกระทําชั่วได้ในๆ กินทายเศษกรรมและนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่คิดชาติหน้าไม่มีบาปบุญไม่มีนรกไม่มีอย่างอื่น